แนะนำบทนูห์บทนูห์เป็นบทมักกียะห์มี 28 องค์การบทนี้ได้เริ่มด้วยการที่อัลเลาะห์ทรงทรงนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเพื่อประกาศเผยพระศาสดาธรรมและตักเตือนหมู่ชนของเขาให้ระวังการลงโทษของอัลเลาะห์บทนี้ได้กล่าวถึงการต่อสู้ของนบีนูห์การอดทนของเขาการเสียสละของเขาทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งโดยทางลับและเปิดเผยกระนั้นก็ตาม มวลชนของเขาก็หาได้ความสนใจแก่เขายิ่งกว่านั้นพวกเขายังอยู่ในการหลงผิดและการดื้อรั้นหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์และความดีงามต่างๆของพระองค์ผ่านทางนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเพื่อให้พวกเขาขยันหมั่นเพียรในการจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์และพวกเขาก็จะเห็นร่องรอยแห่งอานุภาพและความเมตตาของพระองค์ในจักรวาลนี้ ทั้งที่ได้มีการตักเตือนสั่งสอนและชี้แนะทางที่ถูกต้องและทางรอดแล้วก็ตามหมู่ชนของนัวก็ยังดื้อรั้นอยู่กับการปฏิเสธศรัทธาการหลงทางและการผินหลังไหว้พวกเขาเหยียดหยามการเรียกร้องเชิญชวนของนบีของพวกเขาคือนบีนูอะลัยสะลามจนกระทั่งอัลเลาะห์ทรงทําลายล้างพวกเขาด้วยการจมน้ําตายบทนี้ได้จบลงด้วยการขอพรของดะบีนัวอะลัยสะลาม กามูชนของเขาให้ประสบความพินาศและความหายนะหลังจากที่ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาเป็นเวลาถึง 950 ปีเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้เคารพภักดีต่อล้อองค์เดียวจิตใจของพวกเขาไม่ได้อ่อนไหวลงเลยการตักเตือนและการเตือนสัมทับไม่ได้อํานวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออินนาอบสัลนานูฮันอิลาเคาอ์มิฮีอันอันดิดเคาอ์มักมินกับลอันยาติอะฮุมอะดาบุนอะลีมแท้จริงเราได้ส่งนูห์ไปยังกลุ่มชนของเขาโดยบัญชาว่าเจ้าจงกล่าวเตือนกลุ่มชนของเจ้าก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจะมาถึงพวกเขา قال يا قوم اني لكم نذير مبين เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันคือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกเจ้า ان اعوذ بالله واتقوا واطيعون พวกเจ้าจงเคารพภักดีอัลเลาะห์เถิดและจงยำเกรงพระองค์และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉัน يُؤَخِّرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ พระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าในความผิดของพวกเจ้าและจะทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าจนกระทั่งวาระที่ถูกกำหนดไว้ แท้จริงวาระของอัลเลาะห์นั้นเมื่อมาถึงแล้วมันจะไม่ยืดเวลาออกต่อไปอีกหาพวกเจ้าได้รู้เขากล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบานของฉันแท้จริงฉันได้เรียกร้องกลุ่มชนของฉันทั้งกลางคืนและกลางวัน تلكاเรียقร้องเชิญชวนของฉันไม่ได้เพิ่มพูนสิ่งใดให้แก่พวกเขา นอกจากการหลบหนี และถ้าจริงทุกครั้งที่ฉันเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาพวกเขาก็เอานิ้วมือของพวกเขาอุดหูของพวกเขาและเอาเสื้อผ้าของพวกเขาคลุมโป่งและพวกเขาดื้อดันและหยิ่งยโสด้วยความจงหองทุมมาอินนีดาอูตุฮุมจาฮาราขันแล้วฉันได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผยทุมมาอินนี અલંતુ લહુમ વ અસરતુ લહુમ ઇસરારા લૌ ચન કો ડાઈ પ્રકાટ કે પ્વોક ખાઓ યંગ પરત પર્ઈ લૈ યંગ ડાઈ બોક ગલાવ કે પ્વોક ખાઓ યંગ ラપ લપ ઇક ડુએ કો કુલ તુસ્તગફિરુ રબ્બકુમ ઇન્નુહુ કાના ગફફારા ચન ડાઈ ગલાવ વા પ્વોક ચાઓ જોંગ ખો અફાયા થોત તો પ્રભુ પૂ અપીબાન ખોંગ પ્વોક ચાઓ થે พระแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษพระองค์จะทรงหลั่งน้ําฝนลงมาอย่างมากมายแก่พวกเจ้าและพระองค์จะทรงเพิ่มพูนทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกเจ้า และจะทรงทําให้มีสวนอันมากมายสําหรับพวกเจ้าและจะทรงทําให้มีแม่น้ําหลายสายแก่พวกเจ้าทําไมพวกเจ้าจึงไม่สํานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์และความจริงพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าตามลําดับขั้นตอนเออท่านเห็นอย่างไรที่อัลเลาะห์ทรงสร้าง 7 ชั้นฟ้า พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลเลาะห์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง 7 เป็นชั้นๆอย่างไร